ปัจเนกาโอกาสจากขุนทริยโมูลกะใน3ามอสเจอนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด จากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคาณินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคาณินรีในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคาณินทรียไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จากเมื่อเกิด ในอาศัยสัตะภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคลานินสีไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิถินสีปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้น ปุริสินสีไม่ใช่จักเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่จักเมื่อเกิดในอาศัญยสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิชีวิตินรีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหม วิไม่มีอนุจกขุนศีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมนัสสินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมนัสสินศีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจกขุนศ ah ีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจกขุนศีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้น จากขุนสีไม่ใช่จากเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จากมิเกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจากขุนสีไม่ใช่จากเกิดและอุเปกินศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปกินศีในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดสัจจินรีปัญญรีมนินศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหม วิในอรูปภ WOW no er ูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่ใช่จักเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จักไม่เกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจกขุนสีไม่ใช่จักเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินรีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่จกขุนธริยมูลกะในจบขานินธริยมูลกะใน สาม้อสิบปดอนุคานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินซีปุริสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคาินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาินทรียในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิจากเกิดปฏิ ชีวิต <ock> ินทร์สีในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดขานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดมีไหมวิไม่มีอนุขานินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดสมนสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นขานินทรีย์ไม่ใช่จากเกิดแต่สมนสินทรีย์ไม่ใช่จากเมื่อเกิดในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่ใช่จากเกิด และโสมณส mileage, v, ินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโสมณสินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคานินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลานินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคลานินสีไม่ใช่จักเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จักไม่เกิด ในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นคลาเนินสีไม่ใช่จักเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินรีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคลาเนินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคลาเนินรียในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสะทินรีย์ปันยินรียมนินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิในภูมินั้น ขานินซีไม่ใช่จกเกิดแต่มนินทซีไม่ใช่จกไม่เกิดในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นขานินซีไม่ใช่จกเกิดและมนินซีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมนินซีในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดขานินทซีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ขานินทริยมูลกะในจบอิทินทริยมูลกะในสามอนุ อิสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินฺสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปติปุริสินฺสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินฺสทธิยะมูลกะในจบปุบริสินฺสิทธิยะมูลกะใ น, 320. านสามอยี่สิบอนุปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ชีวิตินทรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิชีวิตสินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหมวิไม่มีอนุปุริสินรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมนัสสินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินรียไม่ใช่จักเกิดแต่สมนัสสินรียไม่ใช่จักไม่เกิด ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่ใช่จักเกิดและสม น, นัสสินีน ก, ก, นนก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมนัสสินีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปรุริสินีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้น ปุริสินสีไม่ใช่จักเกิดแต่อุเปขินสีไม่ใช่จักไม่เกิดในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่ใช่จักเกิดและอุเปขินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปขินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสตทินสีปัญญสีมนินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม วิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่ใช่จกเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกไม่เกิดในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นปุริสินีไม่ใช่จกเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมนินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทะิยะมูลกะในจก ชีวิตินทริยะมูลกะในสายยี่สิเอดอนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสมณสิลซีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสมณสิลซีในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดอนุชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดโอเปคินรีสัตถินซีปัญญินรีย มนินรียีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดไม่ไหมวิไม่มีปฏิมนินทรีย์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตจินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดชีวิตจริยมูลกะในจบสมณสินทริยมูลกะในสามร้อยยี่สิบสองอนุสมณสินตีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโอเบขินรีสัทินรียปัญยินรีย มณินีีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินีสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมนัสินีสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่สมนัสินทริยะมรลกะในจบอุเปขินทริยะมูลกะในสามรอยยี่สิบสามอนุอุเปขินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด สัททินสีปัญยินรีมณินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินสีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุเบขินสีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปุเปขินทรียะมูลกะในจบสัททินทรียะมูลกะในสามอยี่ิสอนุสัททินรีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ปัญญีนีมะนินียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนินียในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสะทินรียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่สะทินทริยะมูลกะในจบปัญญทริยะมูลกะในสาอยยี่สิบห้าอนุปัญญีนียในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมะนินียในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ เมินีนีในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปัญญินีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทริยะมูลกะในจบปัจเนกะปุขโลกาสจกขุนทริยะมูลกะใน 3ามอยยีอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดโสตินรียของบุคคลนั้นในภูมิน um> ั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคาณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายูในรูปราวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่จากไม่เกิดปัิบิมฑพวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุปายูในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิ พาณินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายู่ในรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหลา่าใดมีปรุริจักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพวิกระบุคคลในปัญจโวกาลภูมิและบุคคลผู้อุบาจู่ในอนสัญญัตถภูมิอรูปภูมิอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุ จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปรุปริสินศีของบุคคลใดในภู ม, UM hey. ใภมิ ใ, ม ใ, ใดใมใ ไ, ไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรู ป, ปาวจารภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพาน ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จากไม่เกิดประชิมพวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุจาขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันในสัตตภูมิและอรูปภูมิจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทร์ศีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพวิกรบุคคลจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทร์ศีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ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 แต่จกักขุนสีไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิทินพวิกะบุคคลในปัญจโวการะพูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตพูมิอรูปภูมิสมและศีนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจกักขุนสีก ant ็ไม่ใช่จักเกิดอนุจกักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดภูเบขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ จากข <con> ุนสีของบุคคลเหล่า <optimization> นั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อุเปขินศีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพวิเคราะบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตวภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและอุเปขินศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปขินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจากขุเกิดได้ และมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพวิกรบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด จัตินรียปัญญินรีมนินรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จักไม่เกิดปชิมภวิกคะบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มณนนี <Always> <Huh. S 2> ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่จากขุนทริยะมูลกะในจบค <êm tongue. S 2> จานินทริยะมูลกะในสามอยยี่สิบเจ็ดอนุคาณีนีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ไอทินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภ พ, พโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานไอทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จากไม่เกิดประชินพระวิกรบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัทอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิ อิทฉินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเนนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคาเนนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางภพด้วยภาวะนั้นนั่นแหละและวบริญิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาเนนสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกะบุคคลในกลามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเินสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคลานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปทิมพรวิกรบุคคลคลาเนนซีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คานินทรีของบุคคลนั้นในภู ม, มินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินไไมักกนนน้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคาณินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมนณสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสมนัตสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมนัตสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคาเนนรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพาน สมนัตสินสีของบุคคลเหล่า น, er. นั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพวิกรบุคคลในปัญจโวการะภูมิและบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตภูมิอรูปภูมิสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุคาินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโอเบขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคลานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกินรียไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิขะบุคคลและบุคคลผู้อุบัต pues ิอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิคลังงานรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและวปรินิพานอุเปขินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่จักไม่เกิดปัจชิมพวิกรบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเนนรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุ คาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัตทินรียปันยินทรียเมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคาินนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เมนินรียไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิิกะบิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิสิิิิิิิิิิินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จิกเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมณีนิรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่คานิธุริยมูลกะในจบอิทินทุริยมูลกะในสามร้อยยี่สิบปดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม บุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่บริสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฏิมภวิกระบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและบริสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้ น, นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกะ บ, บุคคลในกรรม ว, วจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทธินสียก็ไม่ใช่จักเกิดอนุอิทธินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน อิทธิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ชีวิตศีนิมิชไม่ใช่จกไม่เกิดปฏิทินพรวิกะบุคคลอิทธิศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดอิทธิศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทธีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิด สมนัติสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริสากเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจักอุบัติและปรินิพานเอตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมนัตสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจชิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการะภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ อรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจับอุบัติแล้วปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสมนัสสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิกเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่จากไม่เกิดประชิมพระวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสันยสัตตภูมิอรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติ และปรินิพานสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทินสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธินในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละ มีจิตเป็นอุเบกขาจากักอุบัติและปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกขินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปถิมพวิกะบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติและวปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอุเบกขินสีก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิอ y, no tail, no it it? ุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพเรภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วบริญิพานอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อิทินรีไม่ใช่จักไม่เกิดประทิมภวิกรบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารยสัตตภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีปริสะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจักอุบัติแล้วปรินิพานูุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทธินสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุอิอทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัทินสีปัญญินสีมนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จักไม่เกิดปัจชิมภวิสระบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ เมื่อนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อิทินทรียะมูลกระในจบปุริสินทรียะมูลกระในสาอยยี่สิบเกอนุปุริสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแห ล, ละแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิชินพวิกคะบุคคลปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ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 มีจิตเป็นสมณะจักอุบัติและปรินิพานบริเีนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมณะเศนสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบายขาจักอุบัติและปรินิพานปุริเศนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และสมนัติสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมนัติสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปรุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จักไม่เกิด ปทีมพะวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและบริสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด อุเบกขินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนเทศในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานอุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อุเบกขินสีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจชิมพวิกรบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสสตภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิชนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจับอบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอุเบกินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดในภูมใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจักอุบัติแล้วปรินิพานผู้เบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่บริสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจชิมภวิกระบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจักอุบัติแล้วปรินิพาน อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุปุร <optimized S 2> ิสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัตทินสีปันยินสีมณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิทิมพรวิกรบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทุริยะมูลกะในจบ ชีวิตินทริยะมูลกะในสาม้อยสามสิอนุชีวิตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมณสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธโดยอุเบก ข, ขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมและสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัติมจิตสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโอเบขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัส จ, จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตตภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมพเพลิงด้วยปัจฉิมจิต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 บ, บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตมณีนิสัยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินรี์ก็ไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทริยะมูลกะในจบโสมนัสสินทริยะมูลกะในสามร้อยสาสิบเอ็ดอนุ สมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาจกเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในลำดับแห่งจิตนั้นสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกินจีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ สมและศีลส so, so, ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอุเบกินสีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสมและศีลสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิปัฏิมัจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สมและศีลสีไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปาชิมจิตและบุคคลผู้อุบตัตอยู่ในอสัญญัตตภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสมนสินรียก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโซมนสินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัตทินสีปันยินสีมนินรี์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปาชิมจิตที่สัมปยุติอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิใช่โสมนสินทรียมูลกะในจบโอเปขินทรียมูลกะในสามร้อยสาสิสองอนุโอเปขินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัตตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิโสมนัสจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโอเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด แต่สัทถินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิอุเปขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสัตถินรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสัตถินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดโอเปขินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ปัญินรีย์มนิณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิ์ได้โสมนัสจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนิณีสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุปัติอยู่ในอาศนิสัตตภูมิโอเบขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมนณีสีก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อุเบกินทริยมูลกะในจกสตินทริยมูลกะในสามร้อยสามสิสาอนุสตินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปัญญรียมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ มิีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัทินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่สัจทินทรีมูลกะในจบปัญญินทรีมูลกะในสามร้อยสามสิบสี่อนุปัญญศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมนณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ เมื่ยินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญทรษยะมูลกะในจบ